ช่วยพระขันงันงกกะปลกกะเปรี้ยวพิรธกโกรธเมียดังเพลิงไหม สะดุดโดนสาวสันกำนันในแล่นไล่ลุกล้มไม่สมประดีเมื่อนั้นองค์อชาญามรสีความกลัวอาญาพระสามีวิ่งหนีไปซ่อนซอนสุขกราพวกสาวสันกำนันนางวิ่งวางวนเวียนจนเกียนจุกบ้างเข้าแฝงม่านคลานคุกบ้างลุก แอบเตียงเมียงมองคราวนั้นในพระเจวังกรุงมันดาเลวุ่นวายกันหนักสาวสรรกับมันนางวิ่งหนีกันโอลแมนนึกว่าพระเจ้ามเทียนทองเสียพระสติไปเสียแล้วเมื่อวุ่นวายกันหนักขึ้นถึงต้องสั่งปิดประตูวังเพราะเกรงว่าเรื่องจะอืดเช้าไปถึงข้างนอกวันนั้นทั้งวันกรมมวัง โรนจ่าต้องเที่ยวหาตัวสาวสันกำมันติดระหนกตกใจวิ่งหนีไปซุกซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และตาหักหอห้องต่างๆในรัชฐานกว่าจะได้ตัวมาครบและปลอบโยนให้หายตกใจได้ก็ค่อนดึกเข้าไปแล้วข้างฝ่ายพระเจ้าสีปอนั้นเมื่อได้ทรงแผงริด จ, จนสิ้นพระกำลังแล้วก็ได้พระสติ เกิดเกรงกลัวพระนางสุพยรัตน์เป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหักไม่ทรงทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อให้พระนางสุพยรัตน์คลายความโกรธแล้วพระองค์ก็จะมีพระนางสุพยรัตน์เนี่ยเป็นศัต ร, รูพระเจ้าสีป่อขทรงทราบดีว่าผู้ที่มีพระนางสุพยรัตน์เป็นศัต ร, รูนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่นาน ถึงเมื่อผู้นั้นจะเป็นพระเจ้ามเทียนทองแห่งกรุงรัตนบุระอังวะก็ตามทีเถอะขณะนั้นนะ่ะพระนางสุปยรัตเสด็จไปอยู่ณนะพระตมหนักพระนางอเลนันดอพระราชชนนีพระเจ้าศรีปอก็เสด็จตามไปนาะทีนั้นด้วยความหวาดวิตกเป็นอย่างยิ่งพอพระนางสุปยรัตทอดพระเนตรเห็น พระอาการของพระเจ้าศีปอเมื่อเสด็จเข้ามาในพระตมักก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระเจ้าศีปอทรงรู้พระองค์แล้วว่าผิดไปแล้วมีพระรัชจะประสงค์จะมางอนงอขอคืนดีขณะที่พระเจ้าศีปอดตรัสขอขมาราโทษขอพระนางเว้นพระโกรธให้แก่พระองค์นั้นพระนางสุภยรัตก็ประทับปั้นปึงมิค่อยจะได้ตรัสโตตอบ พระเจ้าสีป่อจะตรัสวิงวอนอย่างไรพระนางก็เมือนพระพักเสียซึ่งก็ยิ่งทําให้พระเจ้าสีป่อลดพระองค์ลงไปอีกในที่สุดพระนางสุพยรัตก็ยอมรับว่าจะคืนดีกับพระเจ้าสีป่อดเสด็จกลับไปอยู่พระจมลเทียนร่วมกับพระเจ้าสีป่อดดังเคยถ้าหากว่าพระนางจะมีพระอํานาจว่ากล่าวคนในวังได้ทั่วไปซึ่งรวมทั้ง านางมะขินขยีพระมเหสีฝ่ายเหนือคื อ, อานางมะหยอกนันเดนั้นด้วยนี่ต้องอต้องมีอำนาจเหนือพระนางมะหยอกนันดอ น, นั้นด้วยเหนือนางมะขินขยีด้วยพระเจ้าสีปอ ก, ก็ยอมรับแต่ดยดีพระนางสุภยรัตน์จึงยอมเสด็จ กลับพระราชมุเทีตั้งแต่นั้นมาพระนางสุพยรัตก็มิได้ทรงแสดงอาการหึงหวงอย่างไรอีกถึงพระเจ้าสีปอจะเสเดจไปมาหาสู่กับพระเมเหสีฝ่ายเหนือนางมาหยอกนันดอนางมาขินขยี เป็นครั้งคราวพระนางสุภยรัตน์ก็ไม่ได้แสดงให้ปรากฏว่าไม่พอพระไทยแต่ในขณะนั้นพระนางสุพยรัตน์ก็กําลังทรงคิดหาอุบายที่จะกาจัดนางมะขินขคยีมาหยอกนันดอคือพระมเหสีฝ่ายเหนือเนี่ยเ่จงได้นางมะขินขคยีนั้นมีสมัครพรรคพวกและมีญาติเป็นคุนนางในกรมหัตเล็ก ซู่งมีอำนาจวาสนาเข้าถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าสีปออยู่พระนางสุภยรัตจะทรงจัดการอย่างไรกับนางมะกินขยีก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมิให้สมัคพระพวกของพระมเหสีฝ่ายเหนือซ้อนกล่นเอาได้ในที่สุดพระนางสุภยรัตก็กําหนดจะทรงใช้อุบายอย่างเดียวกับที่อ่า อุบายอย่างเดียวที่พระนางรู้จักคือเมื่อคิดจะฆ่าใครหรือทำลายใครก็ต้องฆ่าและต้องทำลายท้งโคตรได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อเสด็จขึ้นทรรทวันราชสมบัตินั้นพระเจ้าสีปอเนี่ยยังไม่ได้เสด็จเลียบพระนครตามโบราณราชประเพณี เพราะครั้งนั้นมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครั้นถึงปีพุทธศักราช2424พระนางสุพยรัตก็กราบบังคมทูลให้เสด็จเลียบพระนครทางชนรมะการเลียบพระนครทางน้ำของกรุงมัณฑะเลย์ซึ่งไม่มีแม่น้ำลำคลองนั้น ทำได้โดยเสด็จพยุหยาตราทางชนละมัดในคูพระนครไปจนรอบคูพระนครเท่านั้นในขั้นแรกพระเจ้าสีปอกก็ยังไม่มีพระเจ้ประสงค์จะเสด็จเรียบพระนครแต่พระนางสุปฏรัตเดชทรงเกลียดกล่อมให้แตงดาหมินกี้กลับมาเป็นสมัครพระพวกของพระนางตามเดิมแล้วแตงดามินกี้ ยิงช่วยกราบบังคมทูลสนับสนุนแตงดามิ่นกิ น, นเคยสนับสนุนนางมะขินขยีอยุดพักหนึ่งแต่เมื่อสนับสนุนไปแล้วก็แรเห็นได้เองว่ายานองมินถาและขุนนางในกรมหัดเล็กกลับมีอํานาจวาสนาขึ้นเป็นที่ไว้วางพระเจริญยของพระเจ้าศีปอยิ่งกว่าเดิมก็ทําท่าว่าจะเป็นคู่แข่งกับตน แตงดาหมินกี้จึงกลับใจหันมาอยู่ข้างฝ่ายพระนางสุภยรัตน์คิดทำลายนางมะขิงขยีเสียเพื่อจะได้ลดอำนาจยาหนองมินทาและคนอื่นๆที่ทำว่าจะเป็นคู่แข่งกับตนลงไปเมื่อแตงดาหมินกี้ส่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่กราบบังคมทูลว่าควรเสด็จเรียบพระนครเพราะบ้านเมือง ราบคาบสิ้นเสียนสิ้สสนนามแล้วพระเจ้าสีปอก็ทรงเห็นด้วยโปรดให้เตรียมการไว้ครบตามราชประเพณีการเลียบพระนครเมืองพมา่านั้นมีราชประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือให้ตั้งหีบไม้ปิดทองไว้สี่มุมเมืองในวันเลียบพระนคร น, นั้นรนัศฎรผู้ต้องการจะถวายดีกาด้วยเรื่องใดๆก็เขียนดีกาขึ้น แล้วก็นำไปใส่ไว้ในหีบนั้นเมื่อเสด็จเรียบพระนครเสร็จแล้วคุณนางก็จะนำดีกาจากหีบทั้งสี่ใบนั่นแหละขึ้นทูลกล่าวถวายเพื่อทอดพระเนตรครั้นถึงวันกำหนดซึ่งตกอยู่ในเดือนห้าอ่า ไม่มีฝนพระเจ้าศรีปอก็เสด็จออกเรียบพระนะครทางชนลมะมากพระเจ้าศรีปอและนางสุปัจลัตเสด็จลงเรือพระที่นั่งปิดทองมีเรือขบวนแห่แหนตามราชประเพณีรอบคูพระนะครมันเดลีนั้นมีฐานแต่งเต็มยศตามหมวดหมู่นั่งกละบาดมีรัศดรมาคอยเฝ้าชมพระบรมีล้นหลาม เรือพระที่นั่งผ่านมารัศดรทั้งปวงก็ลงหมอบกราบถวายบังคมก้มหน้าอยู่อเอพราะทหารคอยห้ามมีให้เงยหน้าขึ้นมาดูได้บ้านช่องที่อยู่ใกล้าทางเสด็จก็ต้องปิดประตูนหน้าต่างอย่างมิชิดกฎมนเทียนเกี่ยวกับการเสด็จพระจะดำเนินเช่นเนี้ยเคยมีอยู่ในเมืองไทย แต่มาเลิกเสียนในรัชการที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเป็นที่ประจักษ์ด้วยกันทุกฝ่ายว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยกับราสัดรนั้นไม่เป็นภัยอันตรายต่อกันเลยเมื่อเลียกระนครเสร็จแล้วพระเจ้าสีป่อ และพระนางสุปจรรทก็ดเสด็จกลับคืนเข้าสู่พระราชวังทางประตูฉนวนน้ำในคืนวันนั้นก็โปรดให้มหาดเล็กนำดิกาซึ่งมีอยู่ในหีบสี่มุมเมืองนะมาอ่านถวายดิกานั้นก็มีเรื่องธรรมดาอยู่มากหญิงหมยถูกพนักงานเรียกภาษีไม่เป็นธรรมเดือดร้อนไม่มีเงินจะเลี้ยงลูก เจ้าเมืองเมืองนั่นเจ้าเมืองเมืองนี้กดขี่ราชฎรทนายขุนนางไปเที่ยวจุดลูกสาวชาวบ้านเอเบียดเบียนให้เดือดร่อนต่างๆเหล่านี้ถ้อยคําที่เขียนมาในดีกานั้นก็ไม่ถูกต้องราชาทรั์และไม่เพราะพริ้งสละสะรวยเพราะเขียนตามสมนวนชาวบ้านมหัศเล็กก็ต้องอ่านไปและแต่งใหม่เพื่อให้ถูกราชาทรั์ และให้มีจำนวนที่ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาเมื่อตอนแรกพระเจ้าสรีป่อกาะประทับ ฟ, ฟังดีกายังไม่สนพระทัยเท่าไรนรักหรอกแต่ดีกาฉบับหลังๆต้องทำให้สนพระจรุลไทยดีกาฉบับหนึ่งกล่าวโทษยานนองมินถาว่ากดขีรด่ราษดรแต่ดีกานั้นฉบับนั้นน่ะ ก็ไม่ได้ลงชื่อผู้เขียนพระเจ้าสีปอก็แย้มพระสวนปราดเทศทิ้งเสียเพราะอย่างนี้มันก็เป็นแค่เพียงบัตรสนเทหาโจ์มิได้แต่ดีกาฉบับต่อมาอีกมากมายหลายฉบับก็กล่าวโทษยานนองมิน t าและพักคันอั ต, ตวินบุญวัดสมคบกันกับขการากรมหัดเล็กคิดกระบฏ ส่องสมผู้คนเพื่อจะคิดการใหญ่จนถึงกับได้ติดต่อกับพระองค์เจ้ายองยานและยองอกซึ่งเสด็จหนีไปประทับอยู่ทางพม่าใตา้นี่กล่าวโทษอย่างนี้ดิกาเหล่านี้ไม่มีผู้ใดลงชื่อท้ายดิกาแต่ก็มีจำนวนมากมายกว่าดิกาอื่นๆถึงจะต่างสํานวนและมีรายละเอียดต่างกัน แต่ก็มีข้อใหญ่ใจความตรงกันละ่ะว่าคุนนางที่เป็นสมัครพระพวกของนางมะขินขยียกำลังคิดกระบทพระเจ้าสีปอทรงชมเรืองพระเนกไปยังพระนางสุปจรัสซึ่งประทับ ฟ, ฟังดิกาอยู่ด้วยก็แลเห็นว่าพระนางมีสีพระพักเผืดแสดงความบริวิตกยิ่งนักครั้นพระเจ้าสีปอตรัสเปลยขึ้นว่าดิกาเหล่านี้ อาจจะมีผู้คิดกลั่นแกล้งคุนนางที่มีชื่อในดิกานั้นเขียนขึ้นพระนางสวัสดสุดพระองค์รงหมอบกราบถวายบังคมทูลว่าจะหาพระมหากษัตริย์ที่ราชพระองค์ใดซึ่งทรงไว้ซึ่งความยุติ ธ, ธรรมเท่าพระเจ้าศรีป่อนั้นหามิได้อีกแล้วแต่ดิกากล่าวโทษพระคันอั ต, ตวินบุญยานองมินทา และคุณนางกรมหัดถเรกนั้นหากมีแต่เพียงฉบับสองฉบับก็พอจะถือว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งและไร้สาระได้แต่หากว่าดีกานั้นมีมากมายนะักจะไม่สนพระจิรุไทยเสียเลยก็หาควรไม่ความจริงข่าวที่คุณนางเหล่านั้นสมคบกันเป็นกบฏนั้นพระนางเอง ก็เคยได้หลวงรู้มาก่อนแต่จะนำความขึ้นกราบบังคมพูนก็เกรงว่าจะระคายเคืองพระยุคลบาทจึงได้แต่นิ่งอยู่ด้วยความวิตกมีเป็นอันเสวยมีเป็นอันบันทมคราวนี้ก็มีผู้ถวายดิกาเข้ามาเป็นจำนวนมากตรงกับคุยรหัสที่พระนางเคยได้ยินหากจะไม่โปรดให้ชำระ ก็สุดแล้วแต่พระหมหาการุณามาดว่าแผ่นดินกรุงอังวะจะเป็นเจราจนต่อไปจนพระเจ้ามเทีนทองจะไม่อาจยูนราชสมบัติได้พระนางก็จะตามสเสด็จไปทุกแห่งผนขอเอาชีวิตรองบาทสนองพระเดชพระคุณที่ได้ชุบเรียงตนมาจะประสบความยากลาบากหรือแม้แต่จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ได้เดือดร้อน คิดว่าเป็นเวรของตนที่ได้มาเป็นข่าพระหมหากษัตริย์ที่ทรงแต่พระคุณนั้นประเสริฐพระนางเองนั้นเป็นสตรีย่อมไม่ทรงทราบตื่นลึกหนาบาในราชการแผ่นดินหากพระเจ้าศรีปอมีพระเจ้าประสงค์จะทรงทราบสิ่งใดก็ขอให้ตรัสถามแตงดาหมิ่นกี้ดูเถอะเพราะอำมาตย์ผู้นั้น ตั้งมั่นในกระตันยูมีความซื่อสัตย์สุจริตในใต้ฝ่าอมพระบาทหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้นี่พระนางสุปจรัสกราบบังคมภูขึ้นเชนี้พอพระนางสุปยรัสกราบบังคมทูลจบลงชีวิตยานองมินฐาและพระคันอัตวินวุ่นพร้อมกับ คนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาในดีกาก็เรียกได้ว่านับวันนับวันรอวันตายได้แล้วพระเจ้าสีปอก็โปรดให้แตงดามินกี้เข้าเฝ้ากลางดึกและตรัสสั่งให้ชำระความ ตามดิกานั้นทันทีมิให้รอชา้าฝ่ายแตงดามินกี้ได้รับรับสั่งแล้วก็สอบสวนพยานอยู่ทั้งคืนพยานที่นางที่พระนางสุภยรัต์สิทรงเตรียมไว้แล้วหลายสิบปากก็ให้การตรงกันลักว่ายานองมินถาเป็นขบฏแตงดามินกี้สอบสวนได้ความเกินกว่าที่โจทถวาดิกาไปอีก ว่าที่ญางมินทาอ้างว่าเจ้าราชสมบัติถวายพระองค์เจ้ายานอภรองเจ้ายองญาณ น, นั้นนั่นเป็นแต่เพียงกลอูบายที่จะล่อให้คนเข้ามาเป็นสมัครพระพวกเท่านั้นความจริงญางมินทาเองแหละคิดจจ้าราชสมบัติเสียเองในขณะนั้นญานงมินทาก็กำเริบเสิบสารขนาดทำแท่นทองไว้นั่งที่บ้าน และมีพิธีรีทองต่างๆในบ้านเหมือนกับในราชสมนักเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของยานองมิน t าก็ทำไว้เกินตัวเกินฐานะอาจเอื้อมทำเทียมเครื่องราชูประโภคนี่วิธีการของพระนางสุพยรัตจะต้องถอนรากถอนโคนให้ได้นี่ใช้แผนนี้เลยหลักฐาน เรื่องความเป็นอยู่อันหรูหราของยานองมินฐานี้อันนี้เป็นความจริงเพราะยานองมินฐานถือตนว่าตนนี่เป็นคนโปรดของพระเจ้าสีปอก็จึงไม่ได้ระมัด ร, ระวังอะไรละมีความเป็นอยู่ที่ผิดกฎเกณฑ์ของระบอบสังคมห่วงห้ามไปมากและหลักฐานเพียงเท่านั้นก็พอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นกบฏ ดังนั้นในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นแหละยานองมินถ า, าก็เข้ามาเฝ้าดังที่เคยทำมาทุกวันแตงดามินกีค่อยฐานเข้าคุมตัวยานองมินฐาได้ที่ประตูวงังและส่งตัวไปจำคุกไว้หลังจากนั้นก็ส่งฐานไปจับตัวพระคารอั ต, ตวินบุญผู้เป็นลุงของพระนางมะขินเคยี มาหยอกนันดอและก็จับพวกขุนนางคนอื่นอื่นอีกหลายคนที่พระนางสุพยรัตทรงเห็นว่าเป็นศัตรู ยังมีข่าวว่ามีพระเจ้าดํารัสให้ท้ายต่อผู้ที่คิดร้ายต่อนางมกินขยีอีกด้วยรัศดจรจึงพากันโจ์จันตมนิติถินพระเจ้าสีปอกันอยู่ทั่วไปสเสวตฉัตรแห่งกรุงรัตนบุรอางวะนั้นถึงจะยังกลางกั้นอยู่ทั้งเก้าองค์แต่ก็หาร่มเงามิดได้เสียแล้วคนที่รักชาติบ้านเมือง ก็เด็แต่กระสิบปรับทุกแกกันประกันและกดสายหน้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรประการใดกันต่อไปและเมื่อประหารนางมากินขยีและพักพวกแล้วอีกปีหนึ่งต่อมาจากฟาพระาชติดาของพระนางสุภยรัตทั้งสองพระองค์แหละก็ประชวนด้วยไข้ทรพิษอีก และก็สิ้นพระชนลงไปอีกและการปลูกฝีการไข้ทรพิษนั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันแล้วในเมืองไทย ในสมัยนั้นในสมัยเดียวกันที่เกิดไข้ทรพิษทำให้พมา่าต้องเสียผู้คนไปมากมายเสียโอรสเสียธิดาไปด้วยอย่างเนี้ยในพมา่าแต่ยังไม่มีการป้องกันไข้ทรพิษได้แต่เมืองไทยมีการปลูกฝีการไข้ทรพิษกันแพร่หลายแล้วและอีกประการหนึ่งนั้น กรรมเวร น, นั้นเป็นของมีจริงพระนางสุพยรัตได้ฆ่าฟันผู้คนเสียมากตามแต่โทสะจะชักนําไปแต่กรรมมันก็ตอบสนองเอากอนที่พระโจรสพระจัติดากรรมไปตอบสนองเอาเช่นนั้นพระนางสุพยรัตมีราชโสหนึ่งองค์พระจัติดาสององค์ แต่รวมแล้วทั้งสามทั้งโอรสธิดาทั้งสามเนี่ยก็ต้องสิ่นพระชนแต่ยังงยาวพระชนสาทั้งนั้นหาได้อยู่ให้เฉยชมไหมคนเราจะดูเวรดูกรรมกันนั้นต้องดูให้กว้างกว้างพ่อตายแม่ตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ต้องตายก่อนลูก ถึงจะทุกโศกอย่างไรก็เอาธรรมดาแหละเข้าดับได้แต่ลูกที่ตายก่อนพ่อก่อนแม่นั้นมันเป็นทุกข์ที่ดับได้ยากความทุกโศกที่ดับได้ยากนั่นเองเป็นผลกรรมที่ร้ายแรงคนบางคนทําชั่วไว้มากแต่ดูเหมือนกรรมจะไม่ตกถึงตนเพราะปรากฏว่าได้ดีมีวาสนามีทรัพย์ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ถ้าใครสงสัยว่ากรรมนั้นไปตกที่ไหนก็คอยดูที่ลูกของคนคนนั้นให้ดูที่ลูกเขาเถิดดังเช่นพระนางสุพยาลัตนี้เป็นตัวอย่างแหละกรรมเวรของพระชววงศ์อัลลองพระยานี้ยังไม่สิน้นดังจะได้เขียนมาเล่าสู่กันฟังต่อไปอีก จากสเสด็จเรียบพระนครแล้วพระเจ้าสีปอกับพระนางสุปยรัต ก, ก็ดูเหมือนจะไม่เด็ดเสด็จออกจากพระเจ้าวังอีกเลยพระเจ้าสีปอสเสวยน้ำจันหนักยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนขุนนางก็พากันดื่มโดยสเสด็จว่ากันว่า เหล้าที่โปรดและชอบกันมากในพระราชวังครูมันดาเลนั้นเป็นเหล้าฝรั่งอย่างแรงมีชื่อเรียกว่าคุราโกซึ่งเป็นเหล้าสำหรับฝรั่งเขากินหลังอาหารเพราะเป็นเหล้าหวานมีดีกรีสูงแต่ฝรั่งเขาใช้จิตจากถ้วยเล็กๆขนาดถ้วยตยะไลอ่ะแต่พระเจ้าสีปอ สเสวยไม่ใช่ถ้วยเล็กๆสเสวยเป็นถ้วยแก้วถ้วยแก้วเลยและขุนนางก็พากันดื่มอย่างนั้นในตอนกลางวันและตอนบ่ายพระเจ้าศีปอและพระนางสุภยรัตก็มักจะประทับอยู่ในพระราชยานแหวดร้อมโดยสาวสันกมันนางพระรุทยานนั้นประการผลรไม้ดอกและไม้ผลกอภูเขามีถ้ำ สำหรับข้าไปนั่งพักพรมีพระที่นั่งโถงเป็นที่ประทับและมีบ่อมีลำทานร่มรื่นเพื่เด็ดพันธุ์ลกขชาติสำหรับแล่นเรือในยามกลางคืนก็จุดประทีปตามไฟสว่างสวัยมีดนตรีบรรเลงให้นางข้างในขับร้องหรือมิฉะนนั้นก็มีละครซึ่งเล่นกันไปจนสว่าง ทั้งพระเจ้าสีปอและพระนางสุภยรัตน์โปรดของเล่นแปลกๆใหม่ๆจากยุโรปดังกล่าวมาแล้วยังหีบดนตรีฝรั่งตะเกียงฉายภาพถ้า ม, มองและอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างของแปลกๆใหม่ๆของฝรั่งก็มีเข้ามาเรื่อยๆของเหล่านี้ห้างฝรั่งชาติอิตาลีสั่งเข้ามาขายในวัง รวมทั้งเครื่องเพชรมีราคาสูงลูกสาวในห้างนั้นเข้านอกออกนายพูดพม่าได้ครองและเข้าเฝ้าแหนหมอบครานได้เช่นเดียวกับสตรีพรมา่าจึงเป็นที่โปรดปรานของพระนางสุพยรัตน์มากพระเจ้าสรีป่อ น, นั้นไม่ยอมเสด็จออกจากพระาชวังแม้ในพระราชพิธีบางอย่างที่เคยทำนอกพระาชวังเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ เมื่อครั้งพระเจ้ามินดุงสร้างกรุมัดาเรนั้นโปรดให้กัรที่ดินส่วนหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของพระนครเข้าไว้เป็นนาหลวงและเสด็จแรกนาณที่นั้นในต้นฤดูฝนทุกปีในการเสด็จแรกนานั้นพระเจ้ามินดุงนี่เป็นการกล่าวย้อนให้ฟังนิดหนึ่งในราชการพระเจ้ามินดุงทำอย่างไรประการใด ในการเสด็จแรกนานั้นพระเจ้ามินดุงทรงเครื่องต้นสวมพระหมหามงกุฎและทรงช่างพระที่หนังไปยังบริเวณพิธีคือหน้าที่นาหลวงกระบวนแห่จากพระเจาวังไปยังนาหลวงนั้นเป็นกระบวนช้างครั้งถึงพระพราาเสด็จลงจากช่างพระที่หนังแล้วก็เปลี่ยนจากพระแสงของเงามาทรงพระแสงประตักทรงจับไถของหลวง ซึ่งปิดทองล่องชาติาประดับเพชรดินจินดาวาวแววเทียมด้วยพระโคสีขาวคู่ออกทรงไถนำคุนนางทั้งปวงซึ่งไปจุมคอยเฝ้าอยู่นาทีนั้นต้องเตรียมถ่ายเตรียมโคคู่ของตนพร้อมด้วยคนถือเครื่องยศตามไปด้วยขบวนหลวงนั้นก็มีพนักงานกั้นพระกรด และเชิญเครื่องสูงพร้อมโดยกรองชนะตามธรรมเนียมเมื่อเสร็จออกไถนำแล้วขุนนางก็ออกไถาตามโดยอนุกรมแต่และคนก็มีคนกั้นสัพพทนและศึกและถือเครื่องยศตามไถกันล้นหลามเต็มทุ่งผู้ที่หับพันข้าวที่ใช้หว่านนั้นของหลวงชายพระเจเทวีของขุนนาง ก็ชายท่านผู้หญิงคุณหญิงตลอดจนอนุภรยาที่สวยงามประกวดประขันกันมากนึกภาพดูแล้วก็ออกจะน่าสนุกเต็มทีเสร็จถวานและถายกลบแล้วก็เสด็จขึ้นพระพลาโปรดให้เลี้ยงพระโคและโหนพรามก็ถวายคำปริยากรอันนี้เหมือนกันกันกบในเมืองไทย ประเพณีแรกนาโดยพระเจ้าปผ่ดินเสด็จออกทรงไถนาเองนี้มีทั่วไปในภาคพื้นเอเชียในประเทศอินเดียและแม้แต่ในประเทศจีนในสมัยโบราณก็ปรากฏว่าพระเจ้าปผ่ดินออกทรงไถนาในพิธีแรกนาทางนี้เป็นการให้เกียรติอย่างสูงแก่อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งคนโบราณถือว่าเป็นอาชีพสูงมีคุณประโยชน์ยิ่งเพราะเกิดผลได้เลี้ยงคนทั้งเมืองพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะนั้นอดูหมืนจะทรงประกอบการกสิกรรมเกินกว่าจะเป็นพระราชพิธีแต่ทรงทา ม, มาเป็นอาชีพจริงๆทีเดียว เพราะพระนามพระสุทโธทธนะนั้นก็แปลตรงตรงตัวได้เลยได้ความว่าข้าวขาวแหละความทิดผ่านมานั้นก็ได้กล่าวถึงประเพณีแรกนาอของเมืองพมา่าส่วนในเมืองไทยเรานั้น พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ออกไถ่หวานด้วยพระองค์เองมานานนักนาแล้วถึงกับไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเคยทรงออกแรกนาด้วยพระองค์เองมีแต่ว่าให้เสนาบดีตำแหน่งนาหรือกรเกษตรเจ้าพระยาพลเทพออกเป็นพระยาแรกนาทำหน้าที่ไถนาในพระราชพิธีแทนพระองค์ และให้ใช้เครื่องยศต่างๆในพิธีนั้นในฐานะเป็นผู้แทนพระองค์เมื่อปรากฏวระทานประเทศพมา่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงไถนาเองลงมาจนถึงสมัยรัชการที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความแตกต่างนี้ คนโบราณเชื่อว่าแรกนานั้นมีผลจริงจังแก่การกสิกรรมของประเทศหากผู้แรกนาไถานาดีแล้วการกสิกรรมทั่วประเทศก็จะได้ผลดีสำหรับปีนั้นการแรกนาจึงเป็นการกระทําที่สาคัญมีผลสาคัญในทางเศรษฐกิจของส่วนรวมหากผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ดีผู้ที่ทาแรกนา ก็จะต้องรับผิดถูกตำหนิตีเตียงหากพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงแรกนาะด้วยพระองค์เองก็จะไม่พ้นความรับผิดนั้นไปได้แต่ในหลักการปกครองของไทยเรานั้นถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงทำผิดไม่ได้ตรงกับหลักการปกครองของฝรั่งว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำผิดไม่ได้ พระรากริียกิจต่างๆที่จะต้องมีผลเป็นการรับผิดรวมทั้งการแรกนาด้วยจึงต้องมีเสนาบดีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การหรือกระทาแทนเมื่อเกิดผลในทางที่ผิดก็เสนาบดีผู้นั้นก็เป็นผู้รับผิดในเมืองไทยเราแต่ก่อนเคยมีพลเทพบางคน คือเจ้าพระยาพลเทพนี้เป็นตำแหน่งที่จะต้องทำพิธีแรกนานเนี่ยเอในเมืองไทยเราแต่ก่อนเคยมีพลเทพบางคนแรกน า, นานไม่ดีนารัศาดรต้องเสียหายมากถึงปีต่อไปก็โปรดให้คนอื่นเข้าแรกนานแทนและหลักการที่กล่าวถึงนี้ก็กินไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดกล้าวให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหรหลวงราชบุรีดีเรกริดเป็นเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรแต่พอถึงพิธีแรกมาก็โปรดให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทนเพราะคำตำหนิติเตียนนั้นถ้าหากมีขึ้นกรมมหรหลวงราชบุรีก็จะต้องทรงรับแต่เมื่อกรมมหรหลวงราชบุรีเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอคำตำหนิติเตียนนั้น ก็จะต้องกระทบกระเทือนมาถึงราชบัรลังจึงป้องกันเสียไม่ให้เกิดขึ้นโดยให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนนี่ที่ผู้เขียนได้พารณนาเรื่องการแรกนาในเมืองพมา่าและในเมืองไทยมาสยยืดยาวเนี้ยก็ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าในหลักการปกครองของไทยแต่เดิมมานั้น มีหลักการแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยแทรกซึมมาแต่ดั้งเดิมอยู่มากดังเช่นหลักการแห่งความรับผิดชอบแม้แต่ในพระราชพิธีแรกนาะขวัญที่กล่าวถึงนี้ประชาธิปไตยจึงม่ใช่ของใหม่สําหรับเมืองไทยหรอกแต่เป็นของที่มีรกรากเข้าขกโครองกันมาแต่โบราณแล้วไม่น่าจะต้องสงสัยรีรอกันให้มากไปเลย ประเพณีเกี่ยวกับการกสิกรรมอีกอย่างหนึ่งในเมืองไทยที่น่าจะรู้ไว้ก็คือในสมัยโบราณ น, นั้นห้ามไม่ให้เจ้านายในพระเจวงจับไถหรือจอบเสียมตลอดจนเครื่องมืออื่นๆในการกสิกรรมเป็นอันขาดถือกันว่าถ้าเจ้าเข้าทาไร้ไถานาแล้วแผ่นดินจะเกิดแห้งแลง้งมีภัยพิบัติต่อการทาไร่ไถานาอย่าง ยิ่งใหญ่สรุปแล้วก็คือห้ามมิให้เจ้าเข้าทำไร้ถ่ายนาทุกชีวิตเออทุกชนิดฟังดูเผินก็อาจจะเห็นเป็นความเชื่อถือที่ล้าสมัยของคนโบราณและในสมัยปัจจุบันนี้ก็ล้าสมัยจริงๆแต่ถ้าดูสภาพสังคมในสมัยโบราณแล้วก็จะเห็นได้ว่าประเพณีนี้เป็นกฎเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งของ สังคมห่วงห้ามที่ออกจะเหมาะสมและมีประโยชน์มากเพราะในสมัยนั้นเจ้านายในพระาชวงเป็นผู้มีอภิสิทธิ์มากในเรื่องที่ดินมีอำนาจขนาดไล่ที่ทำวังเนี่ยก็ยังได้หากไม่มีกฎเกณฑ์วางไว้ห้ามไม่ให้เจ้าทำไร้ไถนาแล้ว ราษฎรก็จะตกอยู่ในฐานะลำบากมากเพราะผู้เป็นเจ้าถ้าไปทำไร้ไถนาเข้าก็จะเที่ยวไล่ที่ทํามาทั่วไปก็จะไปไถไล่ที่ทํามาเอาเสียด้วยความมีอำนาจยิ่งกว่าไล่ที่ทําวังไปมากมายทีเดียวเพราะาการสร้างวังยังมีขอบเขตจากัดนี่ ถึงจะมีคนเดือดร้อนบ้างก็ไม่มากไม่มากไม้เท่าไรนะักแต่ถ้าเจ้าไปไล่ที่ทำมาได้แล้วละก่อแผ่นดินก็จะเดือดร้อนเป็นไฟจริงๆอย่างที่ว่ากันไวนอกจากเจ้าจะเอาที่ดินของราษฎรไปหมดหรือเกือบหมดแล้วก็ยังจะกะเกณเอาตัวรัษฎรไปใช้แรงไะทำงานทำไร่ทามา โดยไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือจะให้ก็มีมีแต่น้อยนิดลองพิจารณากันดูใครไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ขอให้ดูไรานาของเจ้านายสมัยใหม่แถวไหนๆก็ได้ว่ากันเอาอย่างไรก็ตามเถอะเพราะกฎเกณฑ์แห่งสังคมห่วงห้าม ซึ่งเคยมีอยู่ในเมืองไทยเรานี้ในปัจจุบันจึงปรากฏว่าชาวนาไทยมีที่ดินเป็นของตนเองมากที่สุดแตกต่างกับประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือในประเทศอื่นๆในโลกที่เป็นประเทศเก่ายกเว้นเพียงสองสามประเทศเท่านั้นอนถึงแม้ว่าโบราณราชประเพณีได้กกำหนดไว้ว่าราชาพิธีแรกนาขวัญ น, นั้น จะต้องทาที่นาหลวงซึ่งอยู่นอกพระราชวังพระเจ้าสีปอก็ไม่ได้ทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีนั้นเพราะทรงเห็นว่าจะไม่เป็นการปลอดภยัยและจะต้องทรงเสี่ยงอันตรายมากแต่เมื่อต้องทรงทาพิธีแรกนาให้ได้ก็โปรดให้ทาพิธีนั้นที่สนามในวัง เมื่อแรกนาในวังมีกำแพงวังเป็นรั้วรอบขอบชิดเช่นนั้นชาวไร่ชาวนาผู้สึ่งเห็นว่าพิธีแรกนาเป็นของสำคัญสำหรับอาชีพของตนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมในพิธีนั้นเช่นเคยมาเพราะทำกันในวังการแรกนาก็หมดความหมายเพราะไม่มีใครเห็นถึงจะมีแต่ก็น้อยมากเหมือนกับไม่มี ชาวนาก็เสียกําลังใจก็พากันทำมายทายทักว่าจะเกิดเหตุร้ายต่างๆเมื่อก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยานั้น พระเจ้าเอกทัตก็ไม่ยอมเสด็จออกจากพระเจวังเหมือนกันจนเป็นเหตุให้ต้องสร้างพระที่นั่งสูงกว่ากำแพงวังขึ้นในวังเพื่อจะได้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่น้ำและภูมิประเทศนอกวังพระที่นั่งนั้นชื่อว่าพระที่นั่งสุริยามารินรัศดรก็พากันเรียกพระนามพระเจ้าเอกทัตตามนามพระที่นั่งว่า พระเจ้าสุริยามารินหน้าประราชที่พระเจ้าสีป่อผู้ทรงเป็นพระมหากระสัตย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนบรีอังวะและแห่งพระราชวงอลองพระยาก็ไม่ยอมเสด็จออกจากวังเช่นเดียวกันและได้ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระเจ้าสุริยามารินอีกด้วยคือให้สร้างหอคอยสูงขึ้นในพระราชวางัง สำหรับเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรแม่นม้ำาอรวดีและภูมิประเทศภายนอกหอกคอยนั้นสร้างด้วยไม้เป็นรูปกลมมีบันไดเวียนขึ้นโดยรอบที่ยอดหอกคอยมีปราสาทองค์เล็กปิดทองประดับกระจกส่วนหอกคอยนั้นทาชาติสีแดงทั้งหลังคนเราที่กำลังจะประสบโชคชะตาอย่างเดียวกันนั้น มักจะทำอะไรที่คล้ายๆกันจะเป็นเพราะเหตุใดก็เหลือเดาสำหรับราชการแผ่นดินทั่วไปนะั้นพระเจ้าสีปอสนพระเจริญไทยน้อยที่สุดราชการใดที่จะนำเงินเข้าสู่ท้องพระคลังให้มากยิ่งขึ้นก็โปรดให้หนักในราชการนั้นราชการใดจะได้เงินก็โปรดให้หนักในราชการนั้น ุนนางทั้งในกรุงและทั้งหัวเมืองที่สงพระชาทรัพย์เข้าท้องพระครั้งได้มากก็โปรดพระราชทานบาเหน็จให้เรือนยศ เ, เรือนยศถาบรรดาศักด์การค้าขายของประเทศนั้นก็ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องของการหาพระราาทรัพย์แต่ทายเดียวการค้าขายอย่างใดที่จะเพิ่มภูมิพระชาทรัพย์ก็ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้านั้นมิได้ทรงคิดถึงประโยชน์ราษฎร จนเกือบจะกล่าวได้ว่า ก, การปกครองประเทศพม่าในระยะนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่ในวังเท่านั้นประการทั้งหลายนั้นก็สิกขาดหยุดกับแตงดามินกี้ส่วนกินวุลมินกี้ผู้ส่งเป็นกุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งเท่ากันนั้นพระเจ้าสีปอไม่โปรดที่ไม่โปรดก็เพราะกินวุลมินกี้ขัดพระราชธิญาสายอยู่เนืองนิด ไม่ว่ากินวุนมินกี้จะกราบบังคมทุนสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของประเทศของรัศดรและเพื่อความมั่นคงแห่งรัชบัลรังพระเจ้าสีปอก็มิได้ทรงฟังไม่ฟังเอาเลยในขณะนั้นก็ไม่มีตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษอยู่ในราชนาจักรเพราะเมื่ออังกฤษได้ปิดสำนักงานถอนตัวรีสิเดนต์ไปแล้ว ก็ไม่ได้ส่งผู้ใดมาแทนอีกคงเหลือแต่ผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสลิตรีผู้ซึ่งทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศของตนเท่านั้นขณะเดียวกันก็คงจะดีใจที่อังกฤษเสื่อมวาสนาลงไปในกรุงอังวะกิจการของอังกฤษที่ยังเหลืออยู่ก็คือการเดินเรือกลไฟในแม่น้ำเอราวดีขึ้นไปจนถึงกรุงมัดเลการกระทบกระเทือนกับ เรือกลไฟของอังกฤษก็มีอยู่เรื่อยๆมาเจา้าพนักงานของพ ม, ม่ามักจะกวดขันเอากับเรือกลไฟของอังกฤษอยู่เสมอแต่ทางฝ่ายพม่า ก, ก็ได้พยายามที่จะคืนสู่สัมพันธภาพอันดีกับอังกฤษถึงสองครั้งอังกฤษในที่นี้ก็หมายถึงรัฐบาลอังกฤษในอินเดียคือครั้งแรกในปี2422 เมือ่ออังกฤษถอนตัวเรีสิเดนต์ของอังกฤษไปใหม่ๆพระเจ้าศีปอกโปรดไอกขุนนางตำแหน่งมายองหลามายองหลาบุญดอกมายองหลาวุญดอกนำของประราชทานอุปราชอังกฤษที่อินเดียและให้ไปต่อว่าเรื่องอังกฤษถอนตัวแทนแต่มายองหลาวุญดอกมิได้มีพระราชสารหรือตราตั้งอย่างใดไปเป็นสําคัญ เพียงแต่คุมของพระชจาทานไปอังกฤษก็เล่นตัวไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นราชทูตละไม่ยอมลาบุญดอกเดินทางไปถึงเมืองเสียดเหมี่ยวอันเป็นเมืองหยุดตรงแดนต่อแดนราชนาจัดพมา่ากับพม่าใต้ของอังกฤษแล้วก็ถูกอังกฤษกักตัวไว้ที่นั่นไม่ยอมปล่อยให้เดินทางต่อไป เมื่ออยู่ที่เมืองเศียรเหมี่ยวหลายเดือนเข้ามายองลาวุ่นดอกก็กลับกรุงมันดะเลแทนที่พม่าจะโกรธอังกฤษกลับไปโกรธเอาคนของตัวเองว่าไม่สามารถในราชการมายองลาวุนดอกได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่กลับไปถึงมันดะเรแล้วไม่นานก็คงจะช้ำใจตายกลุ่มอกกลุ่มใจจนตาย ในปีพุทธศักราช2425คณะรัชทูตพม่าออกเดินทางไปอินเดียครั้งหนึ่งเพื่อเจราจากับรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียคราวนี้เดินทางไปได้ถึงเมืองสิมราในอินเดียแต่ยังไม่ทันจะเจราจาความอย่างไรพระเจ้าสีปอก็โปรดให้เรียกรัชทูตกลับเทั้งคณะแล้วตั้งแต่นั้นมาพม่าก็ไม่ได้พยายามติดต่อกับอังกฤษอี ก, อก และในระยะเดียวกันนั้นก็มีเหตุทําให้พม่าและอังกฤษยิ่งหมางใจกันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมพระองค์เจ้าย่องอกและพระองค์เจ้าย่องยานซึ่งเป็นพระเจ้าอรสพระเจ้ามินดุงถึ่งหนีรัชภัยไปพึ่ออังกฤษที่พม่าใต้นั้นนี่พระองค์เจ้าทั้งสองนี้อพระเจ้าศรีปอก็เป็นโอรสพระเจ้ามินดุงพระเจ้าศรีปอขึ้น ครองราชได้ก็กำจัดบรรดาพระเบุตรต่างๆเสียมากมายสองพระองค์เจ้าเนี่ยก็หนีภัยไปพึ่งอังกฤษ อ, อังกฤษได้กักพระองค์ไว้พักหนึ่งแล้วก็ส่งให้ไปประทรับอยู่ที่เมืองกะรากาตาในอินเดียความจริงที่อังกฤษทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พระองค์เจ้าทั้งสองไปอยู่ที่ไกล ราชนาจักรพม่าจะได้ไม่มีทางมาก่อการวุ่นวายใดๆขึ้นได้นั่นเองแต่ต่อมาพระองค์เจ้ายองอกสเสด็จเล็ดลอดหนีมาได้จากเมืองกะรกตาแล้วเข้ามาตั้ง่องสมผู้คนขึ้นที่ชายพระชนาเขตกรุงอังวะใกล้ๆเมืองเสียดเหมี่ยวพระเจ้าสีป่อทรงทราบก็หาว่าอังกฤษเป็นตัวการยุยงส่งเสริมให้พระเจ้ายองอก เข้ามาคิดการใหญ่เพื่อชิงราชสมบัติของพระองค์ถึงแม้ว่าอังกฤษจะมีได้ยุยงส่งเสริมพระเจ้ายองโอกจริงแต่ในเรื่องนี้อังกฤษก็ผิดเต็มประตูในฐานที่ละเลยคนสำคัญซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของตนปล่อยให้หนีจากเมืองกะรกตาได้แลอยังไม่พอยังปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาได้ในพม่าใตา้ซึ่งพม่าใต้เนี่ย ก็อยู่ในปกครองของอังกฤษและปล่อยไปตั้งซองสมผู้คนขึ้นได้เช่นนั้นทางฝ่ายพม่าได้ขออังกฤษส่งตัวพระเจ้ายองโอกและสมัครพรรคพวกขึ้นไปกรุงมันดาเลฐานตั้งซองโจนแต่อังกฤษก็ไม่ยอมส่งถือว่าพระเจ้ายองโอกรีบภายทางการเมืองมาอยู่กับอังกฤษมาพึ่งบา ร, รมีอังกฤษอยู่ต่อใจม้นพระเจ้าสีปอ ได้ทรงเรียกค่าเสียหายจากอังกฤษเป็นเงินห้ามื่นรูปีเป็นการตอบแทนที่พระองค์เจ้ายองอกท่งคนเข้าไปกวาดต้อนผู้คนและเก็บสเสบียงอาหารในพระราชณาเขตแต่ฝ่ายอังกฤษก็ตอบไปว่าหากพระเจ้าสีปอเสียหายจริงก็ให้มาฟ้องความเรียกค่าเสียหายเอาในศาลอังกฤษทางฝ่ายอังกฤษ ยินดีจะสู้ความดูคําตอบแบบนี้แล้วคามัเจริญเลขที่เ7 9 9สเจถึงาสี่แยกจุกระสัหลังโรงเรียนในร้อยเจรอญเป็นสถานที่จะหมายนักศึทษาะทุกชนิด เพชรธรรมะมากมายแรเทพมหาชาติเพรียงกฎห่งกรรมโดยพระครูสังคราชบุมเรือปัญญาประโหรสมนด็จสมบูรณ์ดาวชาดกแลเทพมหาชชาเบียดสังดอนชาดกแล่ทำควัญหน้าโดยสมนด็จสมบูรณ์ดาวชาดกแล่ทำควัญหน้าโดยน้ำพุ่งเพชรอุทัยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะเพชรธรรมะภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมอดเสียง พร้อมด้เทปธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเทปธรรมะสัปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทรัผู้ใหญ่ครบทุชุดณนะที่รานธรรมะเจริญเลขที่๙๗๙9สี่แยกจุกระสัดถนนประชาธิปไตยหลังโรงในร้อยจอบบรอดโทรศพัพท์ติดต่อสอบถามด้วยที่281 1535 282 7960ครับครับครับครับ